อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,197 1. พินึงกษณีใช้เครื่องกระดับของสตรีเพราะมีเหตุคืออ า, าพาธสองพิษณีวิกชจริตสามพิษณีต้นบัญญัติสิคราบทที่4จบ